ในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมประพติยานกำลังนำเสนอเรื่องพรหมจรร์ซึ่งเป็นหลักการสำคัญในการปฏิบัติธรรมะทางพระพุทธศาสนาและที่จริงก็คือกระบวนการของกรรมที่ปรับอัตยาศัยของบุคคลให้มีความประนีตขึ้นไปโดยลาดับก็หมายความว่าพรหมจาร์ยิ่งเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ ไอ้กิเลสก็จะลดน้อยถอยลงไปโดยลําดับพฤติกรรมของบุคคลก็จะบวกขึ้นโดยลําดับหมายความว่าั ร, รมะหรือความดีก็จะเพิ่มปูนมากยิ่งขึ้นก็กลายเป็นคนมีศีลมีธรรมประการต่อไปนั้นก็คือศีลศีลที่จริงตรงนี้ก็เน้นเฉพาะที่ศีลห้าประการไปก่อนนะครเป็นบันไดในตอนต้นๆเพื่อให้บุคคลได้ ระเปปฏิบัติเพราะว่าเรื่องศีลห้าเป็นเรื่องใหญ่มากๆดี๋ยวถ้าเรามองให้โดยเนื้อหาสาระคือจับประเด็นของเนื้อหาสาระให้เห็นแล้วจะพบว่าอย่างรัฐธรรมนูญฉบับมาตราฉบับปัจจุบันนะัมาตราที่สี่ที่พูดถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพย่อมได้รับการคุ้มครองก็ฟังดูก็คลุ้มคมดีนะ แต่เราจะเห็นว่าเรื่องศักดิ์สิเนี่ยก็คือเรื่องชีวิตเนี่ยเรื่องชีวิตที่มีความเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนอย่าถามว่าทางที่ถูกในใครควรจะคุ้มครองที่จริงเราต้องคุ้มครองเราเองเราเป็นใครเป็นอะไรทำให้เป็นให้ได้เป็นให้ดีแล้วก็เป็นให้เป็นเป็นให้ชอบแก่สถานะของเราคนเราถ้าหากว่า เป็นไม่ได้หรือเป็นไม่ดีหรือเป็นไม่เป็นมันก็จะถูกโซประมาดดูมินการถูกโซประมาดดูมินนั้นก็แสดงว่าถูกทําลายศักดิ์ศรีจะทาอะไรเป็นเหตุให้ถูกทําลายล่ะก็เราเองเราเป็นเหตุให้ถูกทําลายเองอย่างสำนวนจีนในหน้าฝั่งประโยคหนึ่งที่เขาบอกว่าคนเราดูมินตนเองแล้วจึงถูกคนอื่นก็ดูมินเช่นเมื่อเราขี้เกียจ แล้วเขาบอกว่าเราขี้เกียจเขาไม่ได้ด่านะเขาบอกอะเขารายงานเราไปฆ่าคนเขาก็เรียกว่าเราเป็นฆาตกรหมายความมาเราเป็นฆาตรก่าเราเป็นฆาตกรก่อนแล้วเขาบอกว่าเราเป็นฆาตกรเพราะในแง่ความจริงก็คือว่าเขารายงานเขาบอกกล่าวเขาชี้แจงเขาแสดงเราหกล้มเขาก็บอกว่าเราหกล้มเห็นไหมว่าหมายความมามันเป็นกรรม คือเราต้องทําเองก่อนแล้วคนอื่นก็จะบอกก็จะชี้แจงไม่ใช่เรื่องของการกล่าวหานะตัวกล่าวหามันก็อีกเรื่องหนึ่งรื่กล่าวหานั้นมันไม่ใช่พวกมีธรรมะแล้วในแนวของศีลตรงเนี้ยเราจะเห็นว่าเรื่องสิทธิเนี่ยสิทธินี่ใช่แต่ถามว่าสิทธิมันมีอะไรบ้างในโลกเนี่ยจะพูดถ้เยอะมันก็เยอะนะนับเป็นร้อยเป็นพันก็ได้ แต่ถ้าเรามองดูให้ดีแล้วเนี่ยสิทธิก็คือเพื่อให้ชีวิตมันมีสวัสดิภาพเป็นเบื้องต้น น, นะนะเป็นเบื้องต้นคือสังคมอยู่ร่วมกันด้วยการคิดนอนกลัวราดตะคัดขาดแคลนปัญหาใหญ่ของโลกมนุษย์เนี่ยเดี๋ยวเราพูดโดยสรุปสรุปง่ายๆเนี่ยมันจะมีปัญหาหลักอยู่สองปัญหาแล้วหมายความมาพูดมาเลยก็ถูกไมนั่ น, นคือความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หมายความา ไ, ไม่ยังไงหมายความมาชีวิตถูกล่วงละเมิดสิทธิทรัพย์สินถูกล่วงละเมิดถึงไม่ทรัพย์สินมันมีทั้งสังหาริมาทรัพย์สังหาริมครับคือทั้งมีชีวิตแล้วก็ไม่มีชีวิตเพราะถ้าถามว่าพัญญาสา ม, มีกันระหว่างเขาสองคนนะฮะนายก็กับนางขอเนี่ยแล้วเห็นว่านางขอก็เป็นพัญญาเป็นทรัพย์สินของนายกนายกอเองก็เป็นทรัพย์สินของนายขอ พันก็กลายเป็นชีวิตกระทรับเพียงแต่ว่าสีลเนี่ยท่านกระจายออกไปสีลข้อที่หนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของชีวิตของคนแต่ละคนชีวิตแต่ละชีวิตที่จะต้องมีสิทธิในการครองชีวิตโดยปกติสุขคืถ้าเกิดปัญหาเขาต้องก็ต้องทำเขาเองก็เป็นเรื่องของเขาแต่ว่าคนอื่นไปสร้างปัญหาแก่เขาไม่ได้ มันผิดทั้งศีลผิดทั้งผิดทั้งกฎหมายผิดทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีวณัฒนธรรมต่ า, างๆเพราะในแนวศีลเนี่ยเป็นการควบคุมตัวปัเวจเจกชนแต่ละคนไม่ไปละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นบางยุบบางสมัยมันก็เป็นกฎหมายนะนะแต่บางยุบบางสมัยมันก็เป็นศีลบางยุบบางสมัยก็เป็นธรรม แต่ว่าในปัจจุบันเราลองสังเกตนะออกมาอยู่ในรูปของกฎหมายทั้งนั้นเนสี่ถึงห้าประการนะเกิดการละเมิดสิทธิในชีวิตในทรัพย์สินในคู่ครองคูครองเน้นไปการล่วงละเมิดในทางเพศนะฮะไม่ไม่เน้นไปเรื่องอื่นถ้าเรื่องอื่นมันจะกลายเป็นทรัพย์ไปแล้วก็ล่วงละเมิดสิทธิในการรับฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องหรือเกิดเป็นการอยู่ร่วมกันโดยเคารพสิท สถานะของกันอะไรกันแล้วก็ไม่ร่วงระมึกเป็นมาตรการระดับต้นๆ น, นะที่จริงมันก็ต่อมาถ้าเราลองดูให้ดีเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเริ่มต้นโดยการประกาศภาวะฉุกเฉินเลยถ้าถามภาวะฉุกเฉินเนี่ยเพื่อระ ง, งับอะไรระ ง, งับการประทุษรายในสี่เรือนนี่ยแล้วเสร็จแล้วก็ ใช้วิธีการของสงครามซึ่งวิธีเหล่านั้นจริงๆมันก็เหมือนกษัตริย์ครวนข้าหักันนะ่ะนะก็ไม่จําเป็นแล้วก็ไม่ควรจะใช้อะราะมันมีปัญหาเยอะแล้วก็วิธีต่อไปคือกฎหมายทั้งหลายกฎหมายเราจะเห็นว่าในบางเรื่องการละเมิดสิทธิในบางเรื่องเนี่ยมันจนถึงกับประหารชีวิตได้ตายตกไปตามกัน แต่ถ้าเราลองสังเกตว่าคนที่ถูกประหารในรี่ยผิดเรื่องอะไ ร, ระทุสทรัชีวิตคนอื่นทรัพย์ ส, สินคนอื่นคู่ครองคนอื่นแล้วโกหกหลอกลวงอะไรแรงๆนะบางทีไปหมดเลยตั้งสี่ข้อห้าข้อนะะ บ, บางทีห้าข้อเลยก็แสดงว่าก็คือละเมิดสิทธินั่นเองทีนี้ประการต่อไปก็คืออะไร ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกับมีปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องเห็นไหมมีปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องนี่มันเป็นรูปเป็นรูปหนึ่งคือปัญหาเรื่องสีนี่เป็นรูปของสวัสดิภาพของชีวิตของทรัพย์สินของครอบครัวของการรับฟังข้อมูลข่าวสารแต่ว่าถึงมีปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องเนี่ยถึงจุดหนึ่งเนี่ยคือคนก็ขาดแคลน มันก็จําเป็นจะต้องได้รับการช่วยเหลือจากบุคคลอื่นแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยคนต้องรับผิดชอบในการกระทําของตัวเองเห็นไม้มว่าข้อหนึ่งก็เป็นเรื่องฐานในกรณีที่เขาขาดแคลนประสบ ป, ปัญหาประสบความเดือดร้อนจําเป็นจะต้องรับการบําบัดช่วยเหลือจากคนอื่นจากสังคมในนี้ก็อาศัยหลักฐานทีนี้อีกแนวหนึ่งเนี่ยคืออาศัยความ มันขยันในกฎของกรรมนะฮะหมายความคนจะต้องรับผิดชอบในการกระทาของเขาเองจะยู่งอมืองอเท้ารอการช่วยเหลือจากบุคคลอื่นเป่ไปไม่ได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่าเป็นปัญหาที่น่าห่วงใหญ่ในสังคมเราคือการไม่อยู่ในระเบียบวิ น, นัยการไม่เคารพกฎหมายของบ้านเมือง แล้วก็แสดงพลังอํานาจโดยใช้สิทธิตัวเองเนี่ยมากเกินไปจนไปเรือกเรื่องละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นปิดถนนเนี่ยมันผิดอย่างไงไม่ว่าใครจะทําก็ตามนะเว้นไว้แต่ว่าทางราชการก็จะทําอะไรสักยะห น, นึ่งหรือปิดซ่อมบํารุงในกรวาการอีกเรื่องหนึ่งนะจะปิดถนนเพื่อลดรอนสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นเนี่ยมันเป็นอันตรายและที่น่าห่วงยิ่งกว่าไปกว่านั้นก็ลองสังเกตนะ ในช่วงที่มีการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งในปิดถนนกี่ครั้งในรับยอมหมดทุกข้อเลยก่อการจราจนยังไงตั้งไงก็รัหมดเลยแล้ ว, วสิ่งที่เอามาใช้จ่ายนั้นเป็นภาษีของแผ่นดินแล้วมาช่วยเหลือคนซึ่งเมื่อที่มันขัดแย้งกันเช่นสมาร์ตบลูกาแฟที่มีคุณภาพต่ำแต่ต้องการราคาสูงมันขัดแย้งกันเองใครจะไปซื้อ คตอนปลายในี่ใครก็จะไปซื้อในเมื่อกาแฟที่มีคุณภาพดีเขามีหรือยางคุณภาพต่ำแต่ต้องการราคาสูงแต่เราทั้งมือทั้งหมดอะไรเข่าโพดมันตำบหลังอะไรหัวหอมหัวหอมห อ, ห อ, ม, หอมใหญ่หอมอะไรต่างๆมะนงมะนาวทั้งหมดแถบพืชไร่พืชสวนก็เราเนี่ยเราลองตัง้งใจคือเราไม่ไม่ศึกษากระบวนการของเหตุผล ก็แสดงว่าเราก็ไม่ปกติมันกระบวนการก็เหตุผลก็คือของมีค่าราคาของก็แพงความต้องการั็คนมากแต่ว่าของเรามันมันไปสะดุดชี้จึงแปลว่าปกติเป็นกระบวนการอะไรก็ตามที่มันอยู่ในเกณฑ์ว่าปกติธรรมดาคนเราแน่นอนว่าบางทีอาจจะต้องเรียกร้องอาจจะเรียกอะไร แต่ก็ต้องมองกันในแง่ของความเป็นจริงเพราะคนอื่นมันเกี่ยวอะไรเะเป็น ก, การปิดถน น, นเนี่ยเรารู้ได้ยังไงว่าในรถเนี่ยมันอาจจะมีคนป่วยกำลังจะต้องไปโรงพยาบาลมีผู้หญิงกำลังท้อคันแก่ที่จวนจะคลอดจุเรอาจจะมีคนซึ่งมีธุระจำเป็นอย่างยิ่งที่รีบเร่งจะต้องไปให้ได้แล้วเกิดไปไม่ได้ คือไปเพิ่มเติมอันตรายขึ้นแก่คนเนี่ยเห็นไหมตัวนี้ก็คือผิดศีลมันไ ป, ปริดรอนสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นล้วเรียกร้องสิทธิของเรานะแต่ไปริดรอนสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นและในขณะเดียวกันก็เรียกร้องศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์คือการกระทาของเรามันไม่มีศักดิ์ศรีเลยแล้วพอเขาถูกตําหนิถูกเขาตอว่าเข้าก็โกรธหาว่าไม่เคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เราทําเราเอง เราทําตัวเราเองให้คนอื่นไม่เคารพศักดิ์ศรีแลเราผนกระบวนการตรงเนี้ยถ้าถ้าเรามองให้ดีจะเห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับเนี้ย ม, มาตราเนี้ยโดยเฉพาะมาตราเนี้ยนะเราทําความเข้าใจให้ดีมนุษย์เนี่ยมันอยู่ที่ศักดิ์ศรีแต่ว่าการไปริรอนสิทธิในชีวิตในทรัพย์สินในคู่ครองของบุคคลอื่นเอาสมมุติว่าเราไปทํำลายชีวิตคนอื่นเราก็เป็นฆาตากรเรามีศักดิ์ศรีอะไรฆาตากร ลักทรัพย์ของบุคคลอื่นเราก็เป็นขโมยอ่ะสักสีอะไรขโมยหรือว่าเราไปร่วงเกินคู่ครองก็บุคคลอื่น อ, อันนี้เป็นคนไปล่วงละเมิดสิทธทิทางเพศของสตรีมีศักด์ศีหรือเปล่าคนละเนี่ยและเสร็จแล้วเราไปโกหกโกหกัมีศักด์ศีหรือเปล่าเห็นไหมว่าสักดิ์ศีของความเป็นมนุษย์ไม่ใช่คนอื่นคุ้มครองเป็นเรื่องคนคนนั้นเองต้องคุ้มครองเอง ตอนที่ก่อนจะประกาศรัฐธรรมนูญเนี่ยมาก็เจอแล้วก็คุยกับสอสอคนหนึ่งบอกว่าท่านเข้าใจหรือเปล่าศักดิ์ศรีนี่เราต้องคุ้มครองเราเองเนะมันไม่ใช่คนอื่นมาคุ้มครองเราไปรักเขาเลยจะไม่ให้เราเป็นโจรได้ไงแต่การไปลักนั่นคือการทําลายศักดิ์ศรีเห็นไหมไอ้ศีนี่ก็คือก็คือรัฐธรรม น, นูญฉบับเนี้มนุษย์ต้องอยู่ยังมีศักดิ์ศรี ไม่มีประทุษกรรมอันใดก็ตามที่เป็นเหตุให้ตัวเองเสื่อมเสียศักดิ์ศ ร, รษษีเสื่อมเสียศรรษษักดิ์ศรีของความเป็นคนเสื่อมเสียศรรษษักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ฆ่าฆ่าคนอื่นก็เป็นฆาตกรเบียดเบียนคนอื่นก็เป็นนันทาพานรักขโมยคนอื่นก็เป็นโจรอาจจะเป็นมหาโจรคอร์รัปชันทรัพย์สินของแผ่นดินก็เป็นพวกคอร์รัปชันปัญหาใหญ่จึงมาอยู่ที่ศรรษษักดิ์ศรีแล้วเรายอมรับศักดิ์ศ ร, รษษีของกันและกัน มันก็เกิดการสำรวจระหวังกเกิดการไม่ร่วงละเมิดกันวิธีชีวิตวิธีสังคมมันก็ดำเนินไปได้โดยจับประเด็นของเนื้อหาที่จริงในบ้านเราเนี่ยมันมีคำโครงที่เราคุ้นอยู่สองบทและเห็นชัดเจนเลยนะบอกไว้ข้อแรกก็คือมีมานานแล้วนะฮะที่ว่าโมโนม่อพระผู้สวยสวรรค์อันนี้คติแบบคลิปไปหน่อย แขนค่ามอบถวายสรงทันเทิดล่าอันนี้สากลนะดวงใจมอบเมียขวัญแลแม่เกียรติศักดิ์รักฆ่ามอบปล้อยแก่ตัวนั้นหมายถึงว่าคนที่ปฏิบัติภารกิจด้วยความสํานึกรับผิดชอบในสถานภาพของตัวเองในภารกิจการงานแล้วก็ไม่ไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นมันก็เคยเป็นศักดิ์ศรีเป็นเกียรติศักดิ์ ที่ติดตัวของบุคคลนั่นไปได้ยันหนึ่งก็คือบทสยามาเยสติของรายการที่หกรักแากจงจิตน้อมพักดีท่านนานรักชาติกอบกรณีแน่วไว้รักษาสตรกอบบุตรีสุดจิตต้วนถึกรักษาจงจิตให้โลกสองสันเสริจเห็นนะฮะอันนี้คือศักดิ์ศรีทำตนยังไงล่ะการละเมิดศีลทั้งหมดเนี่ยทั้งห้าข้อนั่นแหละมันทาลายศักดิ์ศรีตัวเอง อยาให้โลกยกย่องไหมล่ะฆ่าคนนี่ใครจะยกย่องรักทรัพย์นี่ใครจะยกย่องไปเป็นชู้กับพัญยาผู้ชายอื่นหรือเป็นชู้กับสามีผู้หญิงอื่นนี่ใครจะยกย่องกโกหกหลอกลวงปิ่นปลอนยุยงให้เกิดความแตกแยกกล่าวคำหยาบคายร้ายกานี่ใครจะยกย่องผิดจํำน่ายจ่ายแจกจ่าเสพติดนี่ใครจะยกย่องแม้แต่พวกเสพก็เถอะ ไม่รู้คุณทบทวนแต่แน่นอนว่าคนเหล่านี้ก็คือคนป่วยจะต้องเอามาบำบัดรักษาแต่ไม่ใช่ว่ารักษาซ้ำซากเพราะมันนั่นก็คือการทำลายศักดิ์ศรีเพราะศีลกับศักดิ์ศรีเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันหมายความว่าเราถ้าอยู่ในศีลก็เป็นคนที่มีศักดิ์ศรีเวลานี้เรียกร้องเยอะนะศักดิก์ศรีของความเป็นมนุษย์เนี่ยแต่พฤติกรรมตัวเองมันไม่ใช่แบบมนุษย์ ปิตนอนอย่างนี้เรียกร้องศักดิ์สิทธิความเป็นปมนุษย์ตัวมันไม่มีพฤติกรรมของมนุษย์มันไม่ใช่มนุษย์ทากับมนุษย์ใบเบียดเบียนดิตรอนคนอื่นทั้งหมดและส่วนมากพวกเอ็อทั้งหลายลองสังเกตเขาเรียกร้องศักดิ์สิทธิ์ความเป็นปมนุษย์แต่วิธีการเป็นมากที่ไม่มีการสร้างสารรค์ไม่มีการพัฒนาไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมศีลจึงเป็นเรื่องของสังคม แล้วถ้าเรามองดูให้ดีว่าปาัญหายากรรมปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสังคมปัญหาการเมืองปัญหาแบบมันคงทั้งหลายเนี่ยก็สารพันปัญหาแหละแต่ถ้าเราตั้งปัญหาว่าถ้าคนก็อยู่ในศีนลธรรมล่ะคุณจะอยู่ในจุดใดก็ตามนะฮะแต่คุณอยู่ในศีลในธรรมมันจะมีปัญหาไหมปัญหายากรรมจะมีไหมถ้าคนรักษาศีลห้าไดเ้เวลานี้เราก็เป็นห่วงเรื่องโรคเอ เป็นห่งเรื่องอยาบ้าเป็นห่วงเรื่องของเถื่อนต่างๆถามว่าเหล่านี้มันผิดศีลหรือเปล่าในเรื่องยาบ้าเนี่ยผู้เสพมันก็ผิดศีลข้อที่ห้าผู้ผิดจหนามก็ผิดศีลข้อที่สองโลคเอชมันก็ผิดศีลข้อที่สามแต่หมายความยังไงหมายความมาลองไม่มีศีลเพราะการจะผิดติดโรคเอชเนี่ยเพราะสัมพสอนทางเพศ ไม่รู้ลูกขเขาเมียใครมั่วไปหมดคนเหล่านี้ถ้าเขาอยู่ในศีลได้หน่อยปัญหาเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นแน่นอนบ า, บางครั้งบางคราวอาจจะพ ล, พลาดโดยเฉพาะวาเวลานี้เวลาให้เลือดอะไรแต่ไหนอาจจะพลาดไปบ้างนะฮแต่าการกระทำคนอื่นมันไม่ใช่คนนั้นชั่วเลวแต่ว่าเป็นคนอื่นมีความบกพร่องคือเราอย่ามองศีลเนี่ยมันไกลตัว มองให้เห็นว่าเป็นวิถีชีวิตเป็นวิถีสังคมเป็นการควบคุมอารมณ์เวลาใีอดกพุถึง EQ อะไรต่างๆเป็นอธิบายกันเยอะไปหมดเลยมันหมายความว่าฉลาดในกระบวนการของจิตสำนวนของพระพุทธศาสนาเรียกว่าฉลาดแต่วิตกบทคือทางดำเนินของความคิดมันคิดอย่างไงอ่ะปัญหาสำคัญมันคิดอย่างไง เรื่องใหญ่ที่สุดหรอกเรื่องราบนี้คุณคิดยังไงมันคิดให้เคารพสิทธิของบุคคลอื่นก็ได้แล้วเมื่อสิทธิของบุคคลอื่นก็ได้แต่ว่าพื้นจิตจริงๆมันอยู่ที่พื้นจิตเราไปจะพื้นจิตคนอื่นเช่นสมมติว่าเราเห็นทรัพย์สินคนอื่นอย่างเนี้อย่างอย่างอย่างพวกโจรปล้นแท็กซี่เนี่ยมันฮารู้โกรธมากนะ แท็กซี่นี่ทำงานตัวเป็นเกลียวแล้วก็เธอจะมีเงินท่ารายวันวันห น, นึ่งอ่ะบางทีปล้นได้เงินสี่สาห้าร้อยไปค่าเพื่อนด้วยนันอะไรนั่นคือคือการละเมิดศีลแล้วก็ทำลายศักดิ์ศรีไม่เคารพสถานะของบุคคลด้มันเป็นปัญหาใหญ่ในบ้านในเมืองเนี่ยซึ่งที่จริงถ้าเรารณรงค์นะพยายามรณรงค์ให้คนอยู่ในกรอบตรงนี้ไม่ไม่ไม่ต้องให้มากหรอก เกิดเคารพสิทธิเคารพสถานะของกันรอะไรกันเคารพสิทธิของการอะไรกันและเสรีภาพมันเกิดเองนะเสรีภาพมันเป็นผลและศักดิ์ศรีนี่มันก็จะมาเองแต่ว่าในความรู้สึกของเราเนี่ยเรารักศักดิ์ศรีของเราแต่ก็ต้องนึกถึงสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นเพราะถ้าขณะใดที่ไปละเมิดสิทธิเสรีภาพคนอื่นเราก็สูญศักดิ์ศรีทันทีแหละสูญเสียศักดิ์ศรีทันที หรือปัญหาบางอย่างเนี่ยมันพูดยากเจ้าเรื่องใบแดงของกรกตเนี่ยนะเราเจะเห็นว่าที่จริงก็พูดยากเพราะถ้าไม่มีเหตุมันก็ต้องไม่มีผลเนะี่ยทีนีการที่เกิดผลถ้าเรดโดยไม่มีเหตุก็แสดงว่ามันเป็นเรื่องอารมณ์แต่นึกถึงกระบวนการของข้อกฎหมายต่างๆคณะบุคคลต่างๆที่ร่วมกันพิจารณาเนี่ยมันไม่ใช่คนสองคนนะนะ มือกฎหมายชันองค์องค์ทั้งนั้นเนี่ยก็แสดงว่าต้องมีปัญหาแหละทีนี้เราจะปฏิเสธหรือไม่ก็อีกเรื่องหนึ่งทีนี้ตรงเนี้ยสมมุติประมนุษย์ไปคารพสถานะของตนเองแล้วคารพสถานะของบุคคลอื่นถามว่าการซื้อสิทธิ์ขายเสียงจะเกิดขึ้นไหมมันก็ไม่เกิดเพราะไม่เกิดมันก็ไม่ผิดศีลไม่ผิดกฎหมาย แต่ที่นี้คนเนี่ยไม่ไม่สํานึกหรือไม่ยอมรับนับถือสถานะของการอะไกันแล้วก็เรียกร้องนะทําแต่เรียกร้องอยากได้จากบุคคลอื่นกระบวนการของศีลท่านยังเรียกว่าปกติแปลว่าความสํารวมระวังแปลว่าการไม่ล่วงละเมิดแปลว่าปกติกายวาจานะแปลว่าเย็นแปลว่าปกติสุขกแล้วแต่นะ แต่สรุปแล้วก็คือรัฐปรนูญฉบับปัจจุบันมาตราที่สี่ได้สรุปประเด็นตรงนี้ไว้โดยเฉพาะสองของคำแรกนะสิทธิเสรีภาพเป็นสิทธิเสรีภาพที่ถมนุษย์เนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างเคารพสิทธิเสรีภาพของกันและกันแ ล, ล้วไม่ร่วงระมิดกันสีน้นกี่ข้อช่างมันนะฮะมันเป็นเองโดยอัตโนมัติสนีนี่มันสรณ์จริงๆมันอยู่ที่ใจ ใจสำรวมระวังงดเว้นไม่ล่วงละเมิดมันกระจกแล้วสิ่งทั้งหลายมันเกิดขึ้นตามสมควรแกข่ขณะแก่กรณีนั้นเองเพราะในแต่ละกรณีเนี่ยมันมีสติระลึกรู้เท่าทันแล้วก็หยุดตัวเองไว้หรือว่าเดินไปข้างหน้าตามสมควรแก่กรณีนั้นๆมันก็กลายเป็นสิลขึ้นไปโดยอัตโนมัติก็สิ่งมันเป็นปกติภาพปกติสุขของมนุษย์อยู่แล้วต้องฟังทั้งหลาย ใต้รมระโพทิาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญข้องงามไปบูรในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี